มันพูดถึงเรื่อของเก่าก็ไม่รู้แล้วลรอกันสักทีเดี๋ยวไปจะเบื่ออะไรก็ของเก่าแะไรก็ของเก่ามันจะเบื่อแล้วก็ได้ทันหากมันจะเบื่อไปคิดอย่างนี้เข้าแล้วก็กินของเก่าทานของเก่ายังไม่รู้จักเบื่อตั้งแต่เกิดมาทานแต่เข้าอยู่ด้นเนี่ยจนวัน จนวันตายคันเมื่อทายไม่ได้ก็ตายให้คิดถึงนั่นไปก่อนอาหารการกินที่เราทานออกไปก็คของเก่าพริกเกลือน้ำปลานั่นแหละไม่พ้นจากนั้นหรอกแต่ว่าคนฉลาดปรับปรุงให้เข้ารสให้มีรสชาติแปลกๆเข้าไป นี่กับของเก่านั่นและทานไปของเก่าทำไมยังไม่เบื่อธรรมะที่เทศนาเรื่องของเก่าทําไมยังต้องเบื่อให้คิดถึงนั่นเดียเ่ยบกันกันนะั่นะเบื่อเพราะเหตุที่เราไม่สงบจิตใจไม่สงบไม่ทราบซึ้งถึงเรื่องธรรมะ ที่ทันเทศสนาแต่นั้นมันจึงเบื่อเทนั้นควรที่เราจะทำความสงบในการที่ฟังของกล่อเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นของใหม่หมด จิตของเรามันแตนกาหาเหมือนกันถ้าหางไ่สงบดูดูสิ่งใดฟังสิ่งใดเมื่อกันถ้าเราฟังที่ไหดูที่ไหนทันของที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นโลกทั้งหมดแต่ก็ไม่เบื่อดู นั่งดูเจละครดูอะไรต่างไม่เบื่อสักทีเพราะอะไรนะเพราะใจมันลอยอยู่มันฟูอยู่กับโลกมันพอดีกับโลกมันยังไม่เบื่อถ้าหากจิตเราสงบมันไปอีกโลกหนึ่งมันไม่อยู่โลกนี้จะแล้ว มันเข้าไปอีกโลกหนึ่งฟังธรรมมันจะต้องอีกโลกหนึ่งเหมือนกันธรรมันี่แหละไม่ใช่อื่นไกลคือโลกอันนี้แหละลูกเสียงกิน่นรสโผฏฐัพพะคือโลกอันนี้แหละเราเห็นลูกเสียงกิน่นรสโผฏฐัพพะแต่หากว่า ใจมันสงบแล้วมันกล้าก็จฝันมันเป็นธรรมมันเลยเปิดเผนอยู่คนเดียวของมันของเก่ามันเป็นอย่างนี้ของเก่าไม่รู้แล้วรู้หรอที่ักเสียงเป็นอย่างนี้เลยเราพิจารณาธรรมะต่างๆเราเพ่งพิจารณา ลูกพิจารณากายของเราของเก่านี่แหละพิจารณาเวลาได้เวลาเด็ก็ของเก่านี่แหละพิจารณาเป็นอนิจจังทุกครั้งนัตตาเกิดขึ้นมาเป็นสภาวะอย่างนั้นก็ของเก้านั่นแหละที่หลังเม่อเกิดในพิจารณาเขามไม่เป็นใช่แล้ว เห็นเป็นนิจจังเป็นทุกครั้งไปเป็นอัตตาไปหมดโลกกับธรรมมันเดียวกันถ้าใจเราเป็นธรรมจริงทั้งหลายทั้งปวงมดในโลกอันนี้ก็เป็นธรรมถ้าจิตเราเป็นโลกมันไม่สงบ ทั้งตัวของเราและทั้งตัวคนอื่นภายนอกและภายในมันก็เป็นโลกไปหมดเห็นในการพิจรารณานะไม่ได้พิจรารณาอื่นไม่ได้นอกจากกายของเรากายของเราเป็นตัวประทาบ ตั้งมั่นที่กายนี้แล้วพิจารณาไปเถิดจิตเหมือนแน่วแน่ไปพิจารณาไปเถิดพิจารณาเป็นธาตุก็เอาพิจารณาสุภาก็เอาพิจารณาเป็นของมรณะสติก็ได้ คนเราตายมาทุกวันตายอยู่ทุกวันทุกคืนแต่ไม่เห็นฉันเห็นนะมันสลุดสังเวชพิจารณาสุภานก็เอาสุภาพไม่ต้องไปพิจารณาให้เกิดปฏิกูลในเบื่อหนายสิยดสย็ยนจนกระทั่งหาเกียดอกอก่งนี้ดอกพิจาราสุภาของธรรมดามันตามนี่แหละ ผมขนเล็บเป็นธรรมดาลย น, นะปฏิกูลโกโคผมมันก็โสโคพปฏิกูลโชโค ร, โโค ร, โโครแต่ไปไว้บนหัวมันบนชีสาหุวคล้องปฏิกูลโชโครไว้สูงเลยเกิดขนเล็บทางปวงมด แต่โดยที่เราไม่ได้พิจารณาตกแต่งให้สวยสดงดงามหลอกลวงคนโน่นคนนี้หาว่าเล็บมันสวยเล็บมันงามวันและหนังทั้งฟวงมดก็เป็นเดียวกันเครื่องมาตกแต่งของมันแต่งแล้วนะมันไม่ใช่ของดี คือมันแต่งเอาธรรมชาติมันไม่ใช่ของดียังกอยแต่งธรรมชาติมันดีแล้วจะไปแต่งทาไมเท่านั้นก็ไม่เห็นสุภาพปฏิกูลทแท้ทีเดียวดูเนื้อดูหนังของเราเถอะ มันซึมซ่ามาออกมาเหือกไข่ออกมาในที่นั้นผ่าของเราถึงทำไปชักไม่ฟอกมันเหือกไข่มาถูเขาเม้นเม้นคนได้เม้นร่างกาดปวดชัดอีกเม้นน่าเกลียดที่สุดอะอาดตามต่อนอนหนึสองหนึสามหนึ่งมากกว่ไม่ไมสะอาดได้ภาพนั้นมาผสมล่างอนะันเนี้ย ร่างของสุกตกเนะี่ยของปฏิกูลพิจารณาอย่างนี้จะเห็นชัดๆอย่างนี้แหละไม่ต้องไปหลับตาไปพิจารณาหรอกไม่ต้องเห็น ด, วนด้วยฌานโดยเห็นด้อะไรเละ่ะนี่ไปเห็นด้วยมัดทีเดียวเลยนี่ของเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่าง ในเมื่อมันเกิดอัตุภาคเป็เพ่งพิจารณาปฏิกริยโศคลพวกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆมันเลยเกิดา้าพในมิตขึ้นมาใชแต่เพ่งครับมันเป็นอันนี้ไม่ได้เพ่งพิจารณาเห็นจริงตามเป็นจริงลองคิดดูอ่ะอุุภาคนี่มันจะอยู่ในตัวของเรานี่ทั้งหมด พิจารณาตัวของเราของเก่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายพิจารณาไมรู้ไรแล้วรู้ร เ, เ, เราจนสากทนะีเหมือนกับเราทานอาหารนั่นแหะมือนกัเราอาบน้านั่นะอาบแล้วอาบแล้วทานแล้วทานแล้วทานแล้วของเก่าเหมือนกันนะ่ะ าพิจารณาเท่าไหร่มันมีมีสิ้นที่สุดความที่ไม่มีที่สิ้นที่สุดนั่นเรียกว่าของเก่าของที่ไม่เห็นด้วยความหลงความเมานะั่นมันจึงเป็นเหตุให้หลงมัวเมาหลงตนหลงตัวหลงเราหลงเขา หลงก cool. ับหลงของเก่าเหมือนกันถือตนถือตัวทือเราถือเขาก็ถือของเก่าเหมือนกันคันเห็นตาเป็นจริงเห็นเป็นจริงแล้วก็เห็นของเก่านั่นแหละที่เห็นตาเป็นจริงมันมันชัดเจนขึ้นมาเนี่มันไม่หลงท่านั้นมันเที่ยวมันมันชัดเจนล้วไม่หลงอ่ะตรงนั้นอ่ะมันตรงจิด พิจารณาของเก่าแต่ว่ามันไม่ไม่ใช่ของเก่านะคณะไม่หลงก็ไม่ใช่ของเก่าเรื่องของใหม่เกิดขึ้นมาแล้วพิญญ า, า, าของเก่าเหมือนกันจะมาเรื่องของใหม่เกิดขึ้นมาแต่พ อ, อแล้วหลงละมัมัวประมาทเพ้อเพลินทางพิญญาณาั้านี้มันไม่หลงแล้วครนี้มันเห็นแต่สลดทั้งเวท มันคิดที่มันสรุปที่มันสังเวชอ่ะนะมาเกิดเป็นของใหม่ขึ้นมาทำทั้งหลายพระเจ้องค์พิจารณาเห็นแจ้งไปจากแล้วไม่เป็นของใหม่โมทแต่แท้จยิงองเก่าเนะี่ย่พระองค์รู้เท่าของเก่าเหมือนกันแต่ว่าสมมุติจะเป็นของใหม่คือมันของ ชำระให้เบิกบานชำระจิตให้พองใสให้สะอาดให้เบิกบานจิตไม่เศร้ามองจิตพองแถ่วหม่เอี่ยมเสมอตลอดเวลาเบื้องต้นหนึ่งมันมัวเมารุ่มหลงตามเรื่องตามราวตรงแต่งตามเรื่องตามราว ปรงแต่งใสปรุงแต่งมาก็าเข้ามองเกิดความทุกเดื อ, รอดร้อนร่วมใจไม่มีทางของใสาจะฟองใสเบอร์บางเพื่อประมาณนี้เดียวการี่จะนณาไปกร่วมใจซะอีกพิจกรณาขาองเก่าแนะละวร่วมใจแต่ของเก่าเนะี่ะ ของทุกข์ของโศกกับของเกา่าโลกโกรธหลงกับของเกา่าเอามาใช้อยู่ไหมรู้แลโลละท่าที่เหตุนั้ะของเก่านี่ฉันมากเลเดียวทุกทุกคนใช้ของเกา่าทําไมจึงไม่เบื่อส่วนพระเจ้าท่านใช้ของใหม่ทมาม่านขอหม่ตามสมุด แต่ใช้พิจารณาของเก่าเนะี่ยแต่พระองค์บัุญัตขึ้นหรอเป็นของใหม่ข้อจิตใจเบิกบานเราทุกคนที่พิจารณานี่ยเหมือนกันถ้าพิจารณาปไปเรื่างก็ด <c oughs> ได้ถ้าชื่อพิจารณาองใหม่ถ้าพิจนาไม่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นของเก่าจะรับไปเข้ามองเดือดร้อนจะทําไป พาชัดเจนแจ่มแจ้งเ บ, เ, เบิกบาทเที่ยวพุทโธพุทโธคู่เบิกบาทเป็นพูดตื่นตื่นนอนจากจากนอนหลับที่มันหลงะไรคือนอนหลับนอนหลับธรรมดาก็ยังรู้สึกตื่นขึ้นมาเป็นแต่ความหลงแม่านี้ตื่นเป็นสักที ความหลงคือความว ม, มมอประมาทหลงรักหลงชังหลงเกลียหลงโกรธมันตื่นยังไงอ่ะมันจะตื่นได้ยงไงออกจากนี้่ติดน่นออกจากโน่นติดน่นีออกกนด่ดยืดเดือดความรักติดยืดเดือดความโกรธโกรธจากนี้ไปโกรธงโกรดนันแ้วเรื่อยไป หาพยาบาทอาขาศตรงนั้นตรงนี้อยู่เรื่อยไปนั้นอะมันนั่นอนอนหลับไม่มีตื่นไว้สักทีพระพุเจ้าท่เป็นพุโทโธท่านตื่นแล้วไม่เข้าไปหลับอีกตื่นจากของไปนะจากความโลภโอ้โ ก, อก็เคยโลภแล้วไม่โลภอีก โกรธท้องก็เคยโกรธมาแล้วไม่โกรธอีกหลงรักหลงเกลียหลงโกรธท้องก็หลงมาแล้วไม่หลงอีกตื่นจากนอนเลยยิ่งไอ้ตื่นนอนหลับเนี้ยรู้จักตื่นแต่อันนี้ตื่นไอ้นอนหลับอันนี้ไม่ไม่รู้จักตื่นเลยนอนหลับโดยคุ้หลงเราทุกคนพาเข้ามาปฏิบัติ เพื่อให้รู้จักของเก่าเหล่านี้แหละจะได้สลัดทิ้งเสียอย่ามาเป็นอารมณ์อย่ามาคิดนึกอย่ามาปรุงมาแต่งเห็นแล้เป็นของเก่าแล้วก็ทิ้งเสียสลัดเสียนั่นแหละยิ่งจะพบของใหม่ <c oughs> ของใหม่มีหน้าที่ถสถานคันท่าหากว่าเราพิจารณาเป็นอย่างนี้ในสถานที่ใดบุคคลใดในสถานที่ใดไปในที่ใดอยู่ที่ใดเป็นของใหม่หมดเอาและเทเท่านั้นนั่งภาวานา ใช้สมารอยากแคพูดเรื่องวะไม่ได้อะไรนั่งก็ไม่เห็นอะไรเฉยๆเรื่อๆยๆความเฉยเฉยมันดีแล้วแหละความไม่มีอะไรมันดีแล้วดีกว่าที่มันจะยุ่งนั่นอีกยุ่งมดกลางวันไปอยู่นั่นมันดีกว่านั้นดี อย่างน้อยที่สุดเราทำความเพียพรภาวนาะก็เรียกว่าได้ขึ้นเราตั้งใจนั่นเรียกว่าได้ขึ้นจิตของเรารวมลงเราจิตของเร า, เราตั้งสติเห็นจิตของเรามันคิดมันนึกนะ่ได้ชื่อว่าได้ขึ้นมาแล้วนะจริงที่เราได้ะ ตั้งสติกำนดจิตมันคิดมันนึกรู้สึกอยู่เสมอเสมอไม่ต้องล่าหรอกจะ ต, ตั้งสติกำนจิตเท่านั้นอนะ่ะมั้าเป็นล่าในตัวเป็นอาการล่ในนั้นไม่ต้องอยากเิดอยากเห็นอยากรู้ความอยากนะั้น จิตมดเลยถ้าไม่อยากเห็นแต่ว่าตั้งจิตพิจรารณาอตั้งสติพิจารณาจิตอยู่เท่านั้นเป็นพอเอกะตายจิตท่านว่าเป็นสมาธิมันอยู่คนเดียวนี่ยสติอยู่กับจิตคนเดียวนึงก็เป็นเอกะตายจิตแล้วนี่ย เมื่อเอกสไตจิตเต็มที่อ่ะเอาตั้งใจจริงๆอยจางอย่าไปคิดอื่นเอาแต่สตินะคุมจิตไัวแห่งเดียวเมื่อสติเต็มที่แล้วมันรวมเองหรอกมันหากจะรวมเอง แต่งไม่ถูกใครใคจะแต่งไม่ได้ทั้งนั้นพุทธเจ้าก็แต่งไม่ได้พระสาวกสาวิกาลนก้นแต่งไม่ได้แต้คนอื่นจะไม่แต่งให้ก็ไม่ได้แต่มันพอมันเหตุผลเพียงพอคือตั้งสติกตโนจิตนแน่วแน่อยู่มันถลรวงไปเอง มันแมนเรียกกดได้อันหนึง่งเราไม่เคยได้ซาเทีนยนหลวงเมื่อกันแล้วก็ได้้นมาแล้วหนึ่งนอนแล้วไปอยู่เฉยๆมีความรู้อะไรเอาอีกแล้วอยากรู้อีกแล้วมันก็เลยความอยากเนี่ยก็เลยยุ่งใหญ่อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากให้เห็นโน่นเห็นนี่ไอเด็ตา่าง เลยปุ่งใหญ่จิตที่มันรวมไปเป็นเาวางังไขจิตก็ดีเนือถึงอปันนาก็ดีจิตนั่นไม่ควรที่จะไปแตะต้องมันให้วันไหวควรที่จะมองจิตนั่นไว้ให้รู้เรื่องของจิต เดี๋ยวไปตื่นตกใจเนี้ยคนไม่เคยรวมไปตื่นตกใจเข า, าจะเป็นอะไรไปหรือไม่มีลมหายใจกลัวตายนั่นจะไปกลัวไปใหญ่ตัระตัดคนเรามันมีเครื่องยึดมันอยู่กับเครื่องยึด ในโลกนีอยู่กับเครื่องยึดมดัดใครจะไปยังไงก็อยู่กับเครื่องยึดเท่านี้ครั้นเมื่อมันวางถอนถอดระมันปล่อยวางเครื่องยึดไม่มีเครื่องอยู่เพิ่งเข้าใจเถอดนว่าได้แล้วนั่นได้สมาธิภาวนาแล้วการไม่ยึดนั่นเรียกว่าได้มันไม่มันไม่ยึดนั่งนั้ว จะไปตบอกอกใจอะไรมันปล่อยวางก็ดีจะทำมาจะจะเกิดมาปล่อยวางได้อย่างนี้สติหรือฮัดให้ามาเข้าถึงนั่นอยู่เสมอเสมอัดที่ไม่มีอะไรหรอกตั้งสติกำจิตเท่านั้นแะรักษาจิตให้แน่วแน่เต็ม ท, ที่ ไม่ได้มันจะเป็นมันเป็นเองหรอกมันปล่อยวางแม้กระทั่งรวมลงไปเองหัดได้อย่างนี้อยู่เสมอเสมอให้มันชำนิชำนาญแล้วเมื่อชนา น, นาญเด้อคราวนี้เราจะทํายังไงก็สบายอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรทั้งหัตยิ่งไม่เหตุเกิดขึ้นมาเรื่องราวแล้วมาทำเฉยๆปล่อยวางมันว่างอยู่นั่น มันก็สบายตัวเองแหละมันไม่ไม่ต้องไปเดือดร้อนกันใครทั้งหมดมันวางจิตไม่เป็นปล่อยวางไม่เป็นมีแต่ยึดแต่ถือนั่นมันไม่ไม่ไม่ได้ ไ, ไ ด, ดบความสุขความสบายภาทีคัดตรงนั้นอนะ่ะคามาับอาจารเมื่อ เดือดร้อนเป็นทุกข์ึ้นมาเอยเข้าไปหาตรงนั้นเลยนะครับกด้วยการอย่างนั้นเลยจึงอย่าพากันสงสัยมันจะเป็นอะไรอะไรก็ขอให้เป็นไปเถอะขอให้ยินดีพอใจกับการที่เราปฏิบัตินี้เรียกว่าได้มาแล้วได้ทุกอย่าง อาการคริยาที่เราทําเบื้องต้นคือหัดสมาธิแล้วก็ได้แล้วแล้วเห็นจิตของเราก็เรียกว่าได้แล้วเห็นจิตคลิป ด, ดีคลิช่วดแต่ก่อนไม่เคยจิตไม่เคยรู้จักเรียกว่าได้สมาแล้วจนจิตรวมมาเป็นสมาธิอุนาะอย่าไปตกใจกลัวองนั้นอย่างนี้อะไรต่างกุญแจที่กลั ว, วมันหายอะไรต่างๆอย่าไปกลัวมันดีแล้วละอามันทิ้งของสิ่งที่งลัวหมด ย่งเหลือใจจิตอันเดียวน่ะมันดีแล้วน่ะจะไปเริ่มพิจารณานั่นนี่อย่างต่ า, าไปพิจารณาขอให้มันชำนิชนานาญนั้นแต่ก่อนเมือ่อชำนาญแล้วเมื่อความทุกข์กลุ้มใจหรือะไรเกิดขึ้นมามันเกิดมาตรงนั้นน่ะรัก็ละตรงนั้นน่ะเข้าไปถึงอย่างนั้นแหละพิจารณาอย่างนั้นให้เข้าถึงอย่างนั้นเสมอเสมอมันก็มีความสุขเห็นนั่นก็นได้อันหนึ่งเมืน อย่างนี้ดูเป็นนิดที่เจรณา